เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงใบ่าย3โมงจนถึงสุขโทร 02-549-3043 หรือที่เวอร์ไวยเว็บ .lotus.rmutt.ac.th สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหัตถ บ, บำบัด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 ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Food Delivery ผู้เดิมือนรายการนัธรัฐแผ่กุลและนัธพลดีปุดคุ้บคุมการผลิตโดยผู้ช่วยสัตวราจารย์ด็อคเตอร์กุลกนิศทองเงาสร้างสารและผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทันยะโบรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็มาพบกับผมนัทพลดีอุดและอาจารย์นัธชรัตน์เพ็กรุ่นอาจารย์จากสาข า, หารและพวิชาพุทธชนาการคณะเทคโนโลยีข้างก ร, รมศาชกาตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้กับรายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับรายการที่จะนำเนื้อหาสารข่าวสารต่างๆในวงการอาหารพุทธชนาการกลลภิษณ์เคล็ดลับต่างๆเรื่องราวของอาหารต่างๆที่จะนำมาบอกกล่าวบอกเล่าคุณผู้ฟังในรายการแห่งนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะเรามาพาคุณผู้ฟังเริ่มต้นรายการแบบนี้กับกลเม็ดเคล็ดลับของการกินไข่นะครับที่คุณหมอออกมายืนยันว่าการกินไข่ทุกวันกินได้ทุกวัยและที่สำคัญบำรุงสมองด้วยนะครับคุณฟังครับไข่ไก่อาหารที่หาซื้อได้ง่ายทานได้ทุกวันไม่ว่าจะนำมาทำอาหารเช้าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นนะครับด้วยอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันการบริโภคของไข่ไก่ในประเทศไทยยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่นมาเลเซียที่บริโภคไข่ไก่สามร้อยถึงสี่ร้อยฟองต่อคนต่อปีญี่ปุ่นบริโภคสี่ร้อยฟองต่อคนต่อปี จีนบริโภคไข่ยอยู่ที่380ฟองต่อคนต่อปีนะครับแต่สำหรับประเทศไทยของเราเองแล้วยังมีการบริโภคไข่น้อยกว่าประเทศอื่นๆจึงมีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ได้ถึง300ฟองต่อคนต่อปีนะครับด้านในายสตวแพทยด์ดรมงคลแก้วสุทัศนะครับกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกสาขาประเทศไทยได้กล่าวนะครับว่าไข่ถือเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับด้วยในไข่ไก่หนึ่งฟองให้พลังงาน 70-80 กิโลแคลอรี่นั้น มีโปรตีนที่มีคุณค่าสูงมากนะฮะประมาณเจ็ด และนอกจากนี้ในไข่ไก่ยังมีสารอาหารที่สำคัญอย่างเช่นรูทีนซีเซนทรีนนะครับที่อยู่ในไข่แดงซึ่งสารเหล่านี้มีส่วนช่วยบำรุงสมองลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไอดไซเมอร์นะฮะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ชะลอหรือลดความเสื่อมของเซลล์ต่างๆของร่างกายได้นะครับดังนั้นไข่จึงเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับทุกวั ย, ยปริมาณที่เหมาะสมสำหรับช่วงวัยเด็กควรบริโภคอย่างน้อยวันละหนึ่งฟองช่วงอายุสิบห้าถึงสี่สิบปีบริโภคได้วันละสองฟอง ส่วนอายุ40ปีขึ้นไปทานได้วันละหนึ่งฟองหรือในวัย40ปีขึ้นไปซึ่งไม่มีปัญหาสุขภาพก็สามารถบริโภคไข่ได้ถึงวันละสองฟองเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับปัจจุบันยังมีผู้บริโภคที่มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคไข่ที่มีผลต่อคอเลสเตอรอล น, นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วคอเลสเตอรอลแบ่งเป็นสองส่วนนั่นก็คือคอเลสเตอรอลที่ร่างกายสร้างขึ้นที่ตับจากพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายต้องการอย่างเช่นการรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไป มีมากถึง 75% ของร่างกายนะครับอีกส่วนนั่นก็คือสารคอเลสเตอรอลที่ได้รับจากการรับประทานอาหารโดยตรงซึ่งมีเพียง 25% เท่านั้นนะครับดังนั้นการลดการกินไข่ก็จะไม่ได้ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลต่ำลงแต่อย่างใดนะครับโดวยขณะที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกานะครับได้ถอด คอเลสเตอรอลออกจากสารอาหารที่คนสหรัฐอเมริกาต้องควบคุมในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับหลังจากที่ค้นพบนะครับว่าคอเลสเตอรอลที่ได้รับจากสารอาหารไม่สัมพันธ์กับปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดขณะเดียวกันยังมีทีมวิจัยเกี่ยวกับไข่ไก่ซึ่งพบว่าเป็นแหล่งที่มาของโอเมก้าสามทั้งกรดไขมัน DHA และ PEA นะครับที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของสมองสายตาหัวใจและระบบหลอดเลือดนะครับรวมถึงช่วยป้องกันโรคสมาธิสั้นในเด็ก ด้วยสมองจะตอบสนองได้ไวยกว่า25เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับบริโภคไข่นะครับและช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าแอนเซอร์และโรคหัวใจด้วยนะครับนอกจากนี้ครับผูพ้นู้ฟังยังมีผลการทดลองระหว่างคนที่ไม่รับประทานไข่กลุ่มที่รับประทานไข่ต้มกลุ่มที่รับประทานไข่ขาววันละหนึ่งฟองด้วยรับประทานติดต่อกันยาวนานสองเดือนพบว่าทั้งสามกลุ่มนะครับมีระดับของคอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็น HDL หรือ LDL หรือไตรกเซลิตรายที่ไม่แตกต่างกันซึ่งการทดลองนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าการรับประทานไข่ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างระดับคอเลสเตอ ร, ตรอลในเลือดแต่อย่างใดนะครับคุณฟังครับจากข้อมูลการเปรียบเทียบ พ, พลังงานที่ได้ของไข่แต่ละประเภทพบว่าไข่ต้มหนึ่งฟองให้พลังงานเจ็ดสิบห้ากิโลแคลอรี่ไข่ขาวให้พลังงานหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลแคลอรี่ไข่เจียวให้พลังงานสองร้อยห้าสิบกิโลแคลอรี่นะครับดังนั้นไข่ต้มจึงเป็นไข่ที่ให้พลังงานต่ำที่สุดและมีสัดส่วนระหว่าง โอเมก้า6ต่อโอเมก้า3สามที่สุดจึงเชื่อว่าไข่ต้มดีต่อสุขภาพที่สุดนะครับขอบคุณที่มาด้วยนะครับจากเวอร์ไบเว็บสยามรัฐ .co .th ครับ คุณฟังครับนี่คือเรื่องราวในตอนต้นของรายการในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของการรับประทานไข่นะครับที่สามารถทานได้ทุกวัยบำรุงสมองและที่สำคัญลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคแอนเซเมอร์ที่คุณหมอยืนยันแล้วนะครับและที่สำคัญมีงานวิจัยออกมายืนยันเรื่องนี้แล้วด้วยนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าในเรื่องของเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวผมก็ยังมีเรื่องราวของไ ข, ข, ข, ข่ที่จะมาฝากคุณฟังกับประโยชน์ของไข่ขาวที่ดีต่อสุขภาพจนอยากจะบอกต่อเลยนะครับประโยชน์จะมีอะไรบ้างติด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 เชี่ยว RMU TT พร้อมให้บริการข่าวสารกับทุกท่านแล้วค่ะโดยคลิกที่แอปพลิเคชันไลน์แล้วพิมพ์ add rmu tt จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับบ้านราชมงคลธั ญ, ญบุรีแล้วค่ะไลน์ออฟฟิเชียล RMU TT ศูนย์ข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัย <L INE. S 3> สถานพยาบาลการแพทย์แผานไทยประยุกต์ศูนย์รังสิต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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัดตเลิกสอบถามโทรศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธั ญ, ญาบุรี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 กลับมากับช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับวันนี้บอกไว้เลยนะฮะว่าทั้งสามช่วงต้นของรายการนี้ผมจะพาคุณฟังไปพูดถึงเรื่องของไข่ล้วนเลยนะครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวก็นำเรื่องราวของเก้าประโยชน์ของไข่ขาวที่ดีต่อสุขภาพจนอยากบอกต่อเลยนะครับคุณฟังครับประโยชน์ของไข่ขาวดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคนที่ยังกังขาในสรรพคุณของไข่ขาวสูตรของไข่ขาวบำรุงร่างกายต่างๆนานา โดยความนิยมในการกินไข่ขาวเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับคุณฟังกระทั่งในปัจจุบันมีไข่ขาวบรรจุขายขวดตามท้องตลาดเนี่ยให้เลือกกันอย่างสบายทำให้คนหลายคนที่ยังไม่เคยกินไข่ขาวแบบจริงจริงจังๆสงสัยนะครับว่าประโยชน์ของไข่ขาวดีต่อสุขภาพยังไงนะครับด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับน้ำหนักราวๆห้าสิบกรัมมีปริมาณไข่ขาวหรือแอนบูมีนประมาณห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของไข่ขาวทั้งฟองนะครับโดยมีน้ำเป็นส่วนประกอบ หลักถึง88เปอร์เซ็นต์มีโปรตีน11เปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับซึ่งโปรตีนในไข่ขาวมีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกันทั้งโอวานบูตินโคนันบูมินและอวินินนะครับซึ่งไข่ขาวหนึ่งฟองให้พลังงานประมาณ15กิโลแคลอรี่มีโปรตีน4กรัมและนอกจากโปรตีนแล้วนะครับไข่ขาวยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดทั้งแคลเซียมวิตามินเอวิตามินบีหนึ่งบีสองบีสามบีหกและวิตามินบีสิบสองเลซิตินธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัสและสารอาหารอื่นๆอีอกมากมายนะครับอีกทั้งยังมีไขมันและคอเลสเตอ ร, ตรอล น, น้อยมากต่างจากไข่แดงที่หนึ่งฟองจะให้พลังงานแคลอรี่ถึงห้าสิบห้ากิโลแคลอรี่นะครับและมีคอเลสเตอ ร, ตรอลประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยมิลลิกรัมเลยทีเดียวนะครับด้วยประโยชน์ของไข่ขาวดีต่อสุขภาพมากมายนะครับคุณฟังอย่างแรกเลยนั่นคือเป็นโปรตีนคุณภาพดีนะครับไข่ขาวมีโปรตีนแอนติบุมินซึ่งจัดว่าเป็นโปรตีนชนิดที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังเป็นโปรตี ที่ย่อยง่ายจึงจัดได้ว่าไข่ขาวเป็นโปรตีนคุณภาพดีเหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้รักสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนให้กับตัวเองนะครับสองกระตุ้นการออกกำลังกายของร่างกายไข่ขาวมีกรดอะมิโนที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับอยู่มากด้วยเหตุนี้ไข่ขาวจึงช่วยส่งเสริมการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายให้เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งยังช่วยให้การหลั่งฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเป็นไปด้วยดีอีกด้วยนะครับสามไข่ขาวช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ น, นะครับโดยโปรตีนในไข่ขาวมีปริมาณมากพอที่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายป้องกันการ เสียหายและการฉีกขาดของกล้ามเนื้อนะครับนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายหนักๆต้องรับประทานไข่ขาวเพื่อเสริมโปรตีนให้กับร่างกายก็จะดีนะครับและข้อที่สี่บำรุงระบบประสาทนะครับไข่ขาวมีวิตามินและแร่ธาตุค่อนข้างมากโดยเฉพาะวิตามินบีที่เป็นวิตามินสำคัญในการบำรุงระบบประสาทและการทำงานของสมองและยังช่วยกระตุ้นความจำและช่วยให้อารมณ์คงที่นะครับและข้อที่ห้าไข่ขาวนี้จะเติมโปรตีนให้กับผู้ที่เป็นโรคไตนะครับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอาจมีภาวะไข่ขาวรั่วคือปริมาณ แอนบูมินในปัสสาวะมากเกินไปสังเกตได้จากลักษณะของปัสสาวะที่มีความเป็นฟองคล้ายกับฟองเบีย ซึ่งเมื่อเกิดภาวะไข่ขาวรั่วร่างกายของผู้ป่วยโรคไตก็อาจจะขาดโปรตีนและสูญเสียมูลกล้ามเนื้อได้นะครับดังนั้นไข่ขาวจึงเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมโปรตีนให้กับร่างกายของผู้ป่วยโรคไตได้นะครับและอย่างที่หกส่งเสริมภูมิคุ้มกันนะครับโปรตีนเป็นอีกหนึ่งสารอาหารสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อเรารับประทานไข่ขาวเข้าไปนอกจากจะได้รับโปรตีนแล้วร่างกายยังจะได้รับวิตามินและธาตุอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งล้วนแต่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามนะครับการรับประทานไข่ขาวย ควรรับประทานไข่ขาวที่ปรุงสุขแล้วเพื่อให้ ความร้อนเข้าไปทำลายเชื้อโรคที่มากับไข่ขาวนะครับและเพื่อสลายโปรตีนเอาวินดินที่อาจไปขัดขวางการดูดซึมของไบโอตินของร่างกายได้นะครับและอย่างที่เจ็ดไข่ขาวจะช่วยบำรุงผิวหน้านะครับอย่างที่ทราบกันว่าไข่ขาวอุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดที่สำคัญสำหรับผิวนะครับสาวๆหลายคนจึงนำไข่ขาวมาฟอกหน้าเพื่อบำรุงผิวให้ขาวใสไร้สิวเนียนนุ่มลดจุดด่างดำนะครับแถมยังช่วยให้ผิวแข็งแรงลดอาการแพ้ไปในตัวด้วยนะครับและอย่างที่แปดนะครับนอกจากไข่ขาวจะบำรุงผิวหน้าแล้ว ไข่ขาวยังจะช่วยบำรุงผมด้วยนะครับนอกจากประโยชน์ของเรื่องความงามในเรื่องผิวหน้าแล้วนะครับไข่ขาวยังช่วยให้ผมสวยได้อีกด้วยนะครับด้วยนำไข่ขาวมาตีให้เป็นฟองผสมกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยนะครับควรให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วสระให้สะอาดนะครับทำอย่างนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเส้นผมของคุณก็จะค่อยๆมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นไม่ชีฟูแถมยังมีน้ำหนักและเงา ง, งามอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยนะครับและอย่างที่เก้าไข่ขาวจะช่วยรักษาแผลนะครับ จึงถูกนำมาใช้ในการปฐุมพยาบาลรักษาแผลนะครับแผลจากน้ำร้อนลวกในเบื้องต้นนะครับลดความแสบร้อนลงโดยนำไข่ขาวหนึ่งฟองแล้วแยกเอาเฉพาะไข่ขาวมาทาบริเวณที่ถูกน้ำร้อนลวกให้ทั่วนะครับทิ้งไว้สักพัก จนแห้งจึงล้างออกด้วยน้ำ ส, ส, อำสะอาดนะครับรอยแผลแดงหรือผู้พองนี้ก็อาจจะหายไปด้วยอย่างไรก็ตามนะครับก่อนทาไ ข, ข่ขาวก็อย่าทาให้แผลโดนน้ำเย็นหรือแค่แกะเกาแผลโดยเด็ดขาดเพราะอาจทำให้แผทลถลอกได้นะครับคุณฟังครับและนี่คือเรื่องเราวของประโยชน์ของไข่ขาวที่นำมาบอกในเรื่องของเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวในวันนี้นะครับคุณฟังก็ลองไปหารับประทานไข่ขาวกันได้นะครับประโยชน์เหล่านี้จะได้เกิดกับตัวคุณฟังด้วยเช่นกันนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักกูนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเมนู วันนี้เมนูนักคิดมีเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับกับเรื่องราวของไ ข, ข่เค็มใบเตยดินสอพองนะครับของดีท้องถิ่นสร้างอาชีพอีกด้วยนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงเมนูนักคิดนะครับวันนี้เมนูนักคิดนะครับจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยนะครับกับเรื่องราวของไข่เค็มใบเตยดินเสาพองนะครับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่สองบ้านโคกพุทธาจังหวัดลบบุรีนะครับที่รวมกลุ่มนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาทำไข่เค็มใบเตยดินเสาพองชูจุดขายเรื่องของการใช้ไข่เป็ดที่เลี้ยงตามทุ่งนาพร้อมกับเตรียมยกระดับการ ขายบนตลาดออนไลน์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบท้องถิน่นผสมกับประสบการณ์ของคนรุ่นสู่รุ่นของสมาชิกในชุมชนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดที่ขึ้นชื่อการันตีด้วยรางวัลชาเลอร์สูนยศิลปะชีพบางไส้นะครับ โดวยคุณกัณณพรคำดีแกนนำสมาชิกวิสาห ก, กิจชุมชนหมู่สองบ้านโทอกพุทธาจังหวัดโลบบุรีเปิดเผยนะครับว่าการรวมตัวของสมาชิกชุมชนกว่าสามสิบสองคนทำไข่เค็มใบเตยดินเสาพองออกจำหน่ายที่มีกำลังการผลิตมากกว่าห้าร้อยใบต่อวันผู้ซื้อและนักท่องเที่ยวเอ่ยปากต่อปากในรสชาติที่กลมกล่อมหอมใบเตยไม่ข้าวซึ่งต่างจากไข่เค็มทั่วไปที่พอกด้วยแกลบดำนะครับโดยจุดล้มต้นของการรวมกลุ่มคือการสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างความเข้ม จึงนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นภายในจังหวัดลบบุรีมาทำไข่เค็มนะครับโดวยไข่เป็ดได้มาจากเป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงด้วยกรรมวิธีในระบบปิดตามทุ่งนาที่ย้ำถึงความสดใหม่ ส่วนใบเตยเองนะครับก็ปลูกเองตามพื้นที่ที่เหลือจากการใช้สอยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้รสชาติดีนั่นก็คือดินขาวหรือดินสอพองที่จะช่วยทำให้ไข่ขาวนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างนะครับหัวใจหลักของไข่เค็มใบเตยดินสอพองนั้นก็คือทางกลุ่มใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทั้งหมดนะครับคัดเลือกอย่างดีนะครับโดยไม่รับจากแหล่งอื่นคุณภาพของความอร่อยจึงคงที่และได้มาตรฐานนะครับซึ่งกรรมวิธีไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งคุณวรรณพรกล่าวนะครับว่าเริ่มจากการคัดเลือกไข่เป็ดจากเล้าธรรมชาติไม่เกิน สองวันมาล้างทำความสะอาดอย่างหมดจดนำไปดองในน้ำส้มสายชูประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วพักไว้นะครับ จากนั้นหั่นใบเตยเป็นฝอยแล้วปั่นกับน้ำจนได้น้ำใบเตยเข้ยมข้นขั้นตอนสำคัญก็คือนำใบเตยที่ได้ผสมกับผสมกับเกลือและดินเสาพองนะครับที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วใส่ไข่เป็ดลงไปพอกให้ทั่วทั้งใบเก็บให้มิดชิดตามเระยะเวลาที่สมควรจนดินเสาพองแห้งเกิดกลิ่นหอมเพียงเท่านี้ก็จะได้ไข่เค็มใบเตยดินเสาพองที่พร้อมจัดจำหน่ายนะครับโดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นทำให้องค์ความรู้ยังอยู่นะครับ แต่ในบางขั้นตอนอาจมีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นโดยจับตลาดนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจซื้อกับบ้านเป็นของขวัญของฝากและกลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานจนถึงวัยผู้สูงอายุนะครับรวมถึงบรรดากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เลือกสรรจุดขายในขนมหวานประเภทบัวลอยไข่หวานใส่ไข่เค็มนอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นยำไข่เค็มส้มตำไข่เค็มไข่เค็มตุน๋นผัด สมุนไพรไข่เค็มและหลั่งสารได้อีกมากมายหลากหลายเมนูทั้งเมนูของข่าวรวมถึงเมนูของหวานด้วยนะครับซึ่งปัญหาสำคัญในยุคปัจจุบันของกลุ่มนั่นก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์โดยเฉพาะช่องทางบนตลาดออนไลน์นะครับจึงมีการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบ ป, ประมาณ2562หรือ SME ออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวอที่จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้มีความรู้ด้านออนไลน์ในยุค 4.0 แบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่คาดหวังต่อจากนี้นั่นก็คือการพัฒนาไข่เค็มให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมและวางแผนเพื่อการจัดจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ต่อไปโดยทางกลุ่มก็ขอขอบคุณทางสสวและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยที่ตั้งใจมาบริการความรู้ตอบข้อสงสัยและขยายวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจใหถึงพื้นที่จังหวัดลบบุรีเลยทีเดียวนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณกันนาพรมองว่าการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลและความสำคัญอย่างมากที่จะเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าด้วยกันนะครับเพราะตลาดออนไลน์สามารถเข้าถึงง่ายไม่มีข้อจำกัดในโครงการ SME ออนไลน์ดังกล่าวนะครับมีการช่วยถ่ายภาพสินค้าช่วยเขียนคอนเทนต์ออนไลน์และให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อขายบนตลาดออนไลน์อีกด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องเติมเต็มความรู้พัฒนาตัวเองควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจนะครับถึงจะประสบความสำเร็จและเติบโตไปอย่างมั่นคงนะครับโดวยใครสนใจในผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศรัพท์0656819586นะครับหรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีรวมถึงสสวก็สามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศรัพท์025494004ครับ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999สถานสุขภาพความงามบัวดสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธั ญ, ญาบรุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีตเมนต์ทุกส่วนของร่างกาย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 เจนิเวอรี่ช่วงคุยข้างครัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนัชารัตน์แพรกุลในช่วงคุยข้างครัวนะคุณฟังครับในช่วงปีที่ผ่านมานะช่วงต้นปีนะฮะมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางการแพทย์ก็คือการปลดล็อก พืชสายพันธุ์กลุ่มของพวกกัญชาแล้วก็กระถอมนะฮะหลายๆคนนะฮะคงยังไม่รู้ว่าสรรพคุณที่แท้จริงของกัญชานั้นจริงๆแล้วมันมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรและทำไมในประเทศไทยถึงต้องปลดล็อก อย่างพืชสาเสพติดประเภทห้านะฮะหลังจากที่ยืดเยื้อะกันมาสักพักใหญ่นะฮะในที่สุดข่าวก็ได้ประกาศว่าสภานิติบัญญัติแห่งประเทศไทยหรือสอนอชอนะฮะก็มีมติให้ปลดล็อกพืชยังกระท่อมแล้วก็กัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทห้านะฮะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ใช้ในทางการแพทย์สามารถนำไปศึกษาถึงสรรพคุณ ของกัญชาแล้วก็กระทอมในการรักษาอาการเจ็บป่วยและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นนะฮะจากประเด็นนี้นะถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากนะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆคนคงอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสปปรรพคุณของกัญชานั้นว่ามีประโยชน์หรือโทษอย่างไรเมื่อนำมาใช้กับมนุษย์เรานะครับ เนื่องจากกัญชานะฮะมีฤทธิจกา์กระตุ้นการทำงานของประสาทนะดังนั้นแม้จะมีการปลดล็อกให้นำกัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมายแล้วนะแต่ถ้าว่าทุกคนจะปลูกกัญชาหรือมีไว้ในครอบครองไม่ได้นะฮะเพราะจะให้สิทธิ์เฉพาะ8กลุ่ม เท่านั้นนะกลุ่มแรกนะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือการเรียนการสอนวิชาด้านการแพทย์ด้านกเกษตรศาสตร์เท่านั้นนะหรือสองนะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือสภา าชาติไทยเท่านั้นนะหรือกลุ่มที่สามนะผู้ประกอบการวิชาชีพเคลือการแพทย์ไทยและหมอพื้นบ้านตามเงื่อนไขายที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด นะฮะหรือข้อสี่นะฮะสถาบันอุดมศึกษาที่มีการศึกษาและวิจัยและก็การเรียนทางด้านการแพทย์นะครับประเด็นข้อห้าน ะ, ะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรนะฮะหรือมีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายนะครับส่วนข้อหกน ะ, ะเป็นผู้ที่ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศเท่านั้นนะฮะหรือข้อเจ็ดน ะ, ะผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศที่มีความ จำเป็นต้องใช้ยาเสพติดและพกติดตัวเท่านั้นนะหรือข้อสุดท้ายนะข้อแปดนะผู้ที่ขออนุญาตที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุข เฦินเห็นชอบทั้งนี้พวกที่ได้รับอนุญาตสามารถส่งต่อให้ธายาติหรือผู้ที่ร่ายรับความยินยอมได้นะกวรณีที่ผู้ได้รับอ nun ญาตเสียชวิตก่อนใบอนุญาต ư สิ้นอาย Instruments อ, อย่างไรก็ตา ม, นะตามองค์กฎและบุคคลดังกล่ hvad มีสิทย์เฉพาะในการขออนุญาตผลิตนําเข้าส่งออก จำหน่ายหรือมีไวยครอบคลองกัญชาและกระทอมโดยไปตามเงื่อนไขายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นกำหนดและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการควบคุมอยาเสพติดไฮโทษนั่นเองนะครับส่วนกัญชานะสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างนะสรรพคุณของกัญชาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยตามรายงานมีดังต่อไปนี้นะฮะอันดับแรกนะช่วยในการลด อาการขึ้นไส้อาการอาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดนะฮะจากข้อมูลจากเภสัชกรด็อกเตอร์สุภาพรปิติพร น, นะฮะรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและก็สมุนไพรไทยนะโรงพยาบาลเจ้าพญาอาภายัยภูเบศก่าว่าประโยชน์ของกัญชามีฤทธิ์ในการต้านอาการอาเจียนช่วยในการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะทางนี้ยังมีหลักฐานทางวิชาการที่สนุนอย่างชัดเจนว่ากัญชานั้นมีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ รับเคมีบำบัดแล้วคืนไสและมีอาการอาเจียนนั่นเองนะฮะหรือต่อมานะฮะช่วยในการลดอาการปวดน ะ, ะจากข้อมูลวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ร, ระบุว่าสาร TSC นะฮะในกัญชามีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวด ยาลดการอักเสบแล้วก็ยาต้านออกซิเดชันในร่างกายนั่นเองนะฮะแล้วสารสำคัญในกัญชานะฮะยังช่วยในการรักษาโรคลมชักนะฮะมีงานวิจัยที่ระบุว่ากัญชานั้นมีสรรพคุณในการรักษา โรคลมชักในเด็กที่รักษายากนะหรือในผู้ป่วยโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด้วยวิธีการต่างๆนั่นเองนะฮะหรือนะฮะศัพท์บคุณในกัญชานะครับก็ยังรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมนั่นเองนะฮะในงานวิจัยนะฮะมีการ ระบุสรรคุณของกัญชาที่ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคปอกประสาทเสื่อมแข็งที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือโรคเอ็มเอสนะฮะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเส้นประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลนะฮะก็มีงานวิจัยที่ระบุว่าสารสกัดจากกัญชาอาจช่วยบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยได้แน่นเองนะครับส่วนต่อมานะฮะช่วยในการที่จะให้ผ่อนคลายนะฮะจากข้อมูลจาก ดอกเตอร์สุภาพรปิติพอรนะฮะ์รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนภยนะัยโรงพยบาลเจ้าพยอาอภัยผู้เบตกาว่าในตำหรับอย่ามีการนำกันชามับใช้ เปนยาอยู่หลายตำดับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยานอนหลับนะฮะช่วยให้ผ่อนคลายทำให้หลับสบายขึ้นอีกทั้งน ะ, ะกัญชายังมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบทางเดินอาหารและอย่างแก้ท้องเสียได้ดีอีกด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอีกนะฮะที่กล่าวว่า กัญชาเนี่ยนะฮะยังอาจช่วยรักษามะเร็งปอดได้นะจากสถาบันวิชัยกัญชาเพื่อการแพทย์มหาวิทยาลังสิตพบว่านะฮะสารในกัญชาส่งผลให้ก้อนมะเร็งปอดในตัวนของหนูทดลองนั้นเล็กลงได้นะฮะโดยในการศึกษานำสาร THC นะฮะและสาร CBD นะฮะซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์ที่แยกไดจากกัญชาฉีดลงไปในเซลมะเร็งปอดของมนุษย์นะฮะ ในหนูทดลองทุกวันนะเป็นเวลาสามสัปดาห์นะกระทั่งพบว่า หนูทดลองที่ได้รับสาร THC นะฮะและสาร CBD นะมีขนาดก้อนมะเร็งเล็กลงนะจึงสรุปได้ว่าสารทั้งสองนะฮะมีตัวลิต้ตานมะเร็งปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองนั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามนะสรรพคุณของกัญชายังจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงลิปเพิ่มเติมนะทางนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางการแพทย์และ เลี่ยงผลข้างเคียงของกัญชาที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะครับและจากข้อมูลในตำราโอสดพัทนราลัยนะฮะและตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์นะครับพบข้อมูลตรับยาไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาอยู่หลายตำราซึ่งรวบรวมมาจากคำเพียร์หลายฉบับแสดงให้เห็นว่ามีการใช้กัญชาประกอบเป็นตัวยาเพื่อรักษาหรือบรรจุอาการปวดต่างๆมาหลายร้อยปีแล้วนั่นเองนะทั้งนี้นะฮะนายแพทย์ขวัญชัยนะฮะวิ สิทธานนท์นะครับพอสถาบันการแพทย์แผนไทยนะฮะได้ยกตัวอย่างสับคุณของตำลับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบเช่นตำลับสุกสายญาตินะฮะเป็นสับคุณของยานอนหลับแก้ปวดเจริญอาหารนำมาใช้ทดแทนหรือการเสริมกับยาแผนปัจจุบันในกลุ่มของยานอนหลับเพื่อลดอาการเครียดนะฮะหรือตำลับทำลายพระสุเมนนะฮะเป็นฤทธิ์ช่วยอาการแข็งแกร่ง จากเอามาพลึกเอามาผัดได้นะครับหรือตำลับน้ำมันสนั่นไตพบนะช่วยเรื่องท้องมารท้องบวมคลายลมในท้องท้องอืดจากมะเร็งตับใช้ทาบริเวณท้องนะหรือตำลับทับพยาธิที่คุณนะช่วยในเรื่องโลรคเบาหวานแล้วก็ลดน้ำตาลได้นั่นเองนะครับส่วนโทษของกัญชาที่ควรระวังนะกัญชานะถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายเนื่องจากกัญชาถือเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิก์กระตุ้นประสาท หลดประสาทและหลอนประสาทในกรณีที่ใช้เกินกำหนดและไม่ถูกต้องนะเพราะในกัญชานะสามารถออกฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทโดยสารดังกล่าวจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและสมองอย่างรวดเร็วนะฮะสามารถทำให้เกิดโทษและอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เช่นทำให้ผู้เสพรู้สึกตื่นเต้นช่างพูดกระสับกระส่ายหัวเราะตลอดเวลาก่อนจะ กดประสาททำให้มีอาการซึมเศร้าง่วงนอนเวียนศีรษะปักแห้งนะฮะหากเสพกัญชาประวิมาณมากๆจะหลอนประสาททำให้เห็นภาพลุงตาหูแววความคิดสับสนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นั่นเองน ะ, ะนอกจากนี้นะครับนายแพท ย, ย์สราญุทธ์นะฮะผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติดแห่งชาตินะฮะก็ได้เผยผลสำรวจที่พบว่าผู้ป่วยเสพติดกัญชาเมียการนะฮะโรคจิตเวทสูงถึงร้อยละเจ็ดสิบสองนะฮะรวมไปถึงความเสี่ยงต่อโรคจิตอารมณ์แปรปรวนโรควิตตกกังวลก็สูงตามขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะแม้ว่าจะมีการปลดล็อก กัญชาและก็กระถ่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท5เพื่อนำไปศึกษาวิจัยหรือประโยชน์ทางการแพทย์แล้วนะฮะแต่หากเป็นกลุ่มคนไข้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกหรือครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่ถึง10กิโลก ร, รัมจะมีโทษจำคุกถึง5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะและในกรณีที่มีครอบครองเกิน10กิโลก ร, รัมนะให้ถือว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายต้องโทษจำคุกถึง หนึ 1> 1่งถึงสิบห้าปีปรับหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลนะจากวุฒิสานเพศาศสาสตร์อีสานนะฮะองค์การเพศศกรรึกษามะแล้วก็กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ถังเลือกนะครับเราพักเบรกกันสักครู่นะฮะกลับมาช่วงสุดท้ายช่วงเปิดมอส น, นะครับ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 な。 เจนิวอรี่ช่วงเปิดหม้อกลับมาช่วงสุดท้ายนะฮะช่วงเปิดหม้อนะฮะเอาใจสำหรับผู้ที่รักหุ่น ส, สวยๆนะหรือผู้ที่ใส่ใจสุขภาพนะฮะหากชื่นชอบในการรับประทานขนมจีนนะฮะต้องไม่พลาดกับการรับประทานน้ำยาป่านะซึ่งเป็นเมนูที่มีไขมันน้อยนะครับแล้วก็พลังงาน นั่นเองนะส่วนผสมนะก็จะมีปลาทูสดนะฮะลูกชิ้นปลาหอมแดงพริกแห้งกระชายนะครับตะไคร้ใบามะกรูดน้ำเปล่าหรือน้ำปลานะครับแล้วก็ตัวของน้ำปลาแล้วก็ต้นหอมนะฮะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะฮะนำปลาทูนั้นไปต้มนะฮะจนสุกนะฮะพอใคายร้อนนะฮะแกะเอาแต่เนื้อ ส่วนของเครื่องแกงนะก็นำน้ำที่ต้มปาทูนะตั้งไฟจนเดือดนะฮะใส่หอมแดงพริกแห้งกะชายตะไคร่แล้วก็ใบมะกรูดนะพอน้ำเดือดตัดขึ้นมาพักไว้นะฮะนำเอาปาทูแล้วก็ตัวของเครื่องแกงต่างๆนะฮะยกเว้น ใบายมะกรูดนะนำไปปั่นให้ละเอียดนะเสร็จแล้วก็เทใส่หม้อนะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยเพื่อมีความข้นเล็กน้อยนะจากนั้นคนไปเรื่อยเรื่อยจนเดือดนะเสร็จแล้วนะก็ใส่ส่วนของลูกชิ้นปลาตามด้วยน้ำปลาน้ำปลานะฮะก็ชิมรสตามใจชอบนะฮะแล้วก็ปิดไฟนะเซิร์ฟคู่กับขนมจีนแล้วก็ผักสดอย่างเช่นถั่วฝักยาวกระหล่ำปีนะฮะใบแมงลักนะฮะหรือ สดต่างๆ ต, ต, ตามที่คุณผู้ฟังนั้นชื่นชอบได้เลยครับวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนกับเมนูเพื่อสุขภาพอย่างขนมจีนน้ำยาป่านั่นเองนะครับสวัสดีครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี